เขึ้นสุดห้าคัมมีตาเดือนอ้ายสุดห้าคัมเดือนพระกลางเดือนเนาะประจังเราเดียวไม่ทาตากมาบอกพระกาศกลางเดือนแจมขายเรื่อพรักจางเดนดวงอยวางนี้สุดใจก็มาห่วงห่วงหนักในหุ่ใจเราท่านพุทธใบสัตว์ทั้งหลายก็ามาพร้อมใจกันสามัคคี สางความดีในวันพระเป็นทางดังทางธรรมเป็นทางธรรมสุบรรณะอยู่ตรงการทังธรรมและตรงการปฏิบัติธรรมในวันนี้ท่านทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาขอสมาทานชิ้นแปดอัฐบริขาร8 พระสงฆ์ม in so ีอาชาบริขารโยมก็มีอุเบกชนเงินกันมาฐานข้าวสำลันปฏิบัติธรรมกายสุขาสามถุนชมาถุตัญญาโยมกระลับถุนมุงแปดประการแล้วก็เคลบด้วยการกำหนดจุตด้วยกรรมบทตุจกายกรรมสามและจีกรรมสี่มโนกรรมสารพร้อมบริบ right. ูรณ์ทุกประการ คือการปฏิบัติธรรมนั้นการฟังธรรมท่ทาฟังที่ในใจเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่นเองฟังแลวววววาาแ้วกว่าปฏิบัติเรียกว่าปริยัตศาสนาเกิดาความรู้หาวิชาการในศาสนายากกว่าปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่าปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติรกรรมอาชานปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะเกิดปฏิเวชฌาสนาปฏิเวชฌานานั้นก็หมายความว่าได้อนิสงส์ในภาคปฏิบัติธรรมมากเพราะเราเป็นชายชาวพุทธเราเป็นนักพุทธศาสนาเรายอมรับนับถือคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะเราก็รัวบว่าโชคดีเลยที่เราได้มาเข้าเป็นชาวพุธ พระพุทธเจ้าโดนมาตาดไปโลกสองพันกว่าปีแล้วนา่าจะโชกดีทุกประการเราท่านทั้งหลายโชคดีทุกท่านแต่อย่าให้โชคลายสายร้ายเข้ามาโชคดีหายไปถ้าท่านปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วท่านจะไม่มีโชคลายต่อไปมือจะโชคดีมือฉกวาสนาทุกได้เทนขันตา ทานสุนทรภวนาก็อยู่ในข้อคิดทั้งท่้นชั้ไรทานการให้การช่วยบางคนเหนเหยวเหนียงเหนีงานต่แตรมปัจบชดงานไม่เหนื่อยแต่มานแง่ต่แกรปชดจะเหลือที่จะอดสนได้ บางคนี้ก็ไม่มีธรรมะแต่จันใจเลยทั้งลายทั้งหญิ ง, งทั้งชายที่เราเข้าวัดต้องการจะได้ผมดีจากวัดถ้าปฏิบัติไม่เสวาาะกรรมภาวนาแต่กลับมาเสียอใจเรื่องไม่ได้อยูืออกจากวัดถ้าปฏิบัติไม่ได้ไม่มีปฏิบัติศาสนาจตกระการไดเข้ามาเที่ยวเล่นเฉยใจเฉานิ่งจตกระการไแดบบ้ ไม่มีตามเย็นใจเข้ามาแล้วมีแต่ล้อมอกล้อมใจล้อมรุ่มกลับกุ้มพนุ่งพ่อสาวนมาสาวหน้าขาวขาวกลับไปมีแั่ความทุกข์ระทมข้นขืนทะเลาะรการไม่มีความสุขขำลามชีวิตจากการใดก็เนื่องจากเขาหรือนางมิได้ปฏิบัติธรรมอนุกตรก็เข้ามาแล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อขายความเมื่อสาย มันมมีความอดทนต่ประการใดมาเสื่อวัดกันซื่อชยธรรมดากระชับกระเทือบผนอยก็ไม่อดทนกราบมนตู้ซื่อนั่งหนุ่งจนุดจะหาที่พิงมาดักลับไปโดยไม่มีโชคมีชมือกระสันหัวจังไรกัดไปแต่จะได้ดีมีปัญญาต้องเหนื่ ทานสุนภาวนาะต้องไม่เข้าไปแนบะสนิทติดในจิตใจทั้งท่านทั้งอุบาสกปิตา ส, สร้งกัสงแห่งเจ้าถ้าใครแนบะสนิทติในจิตใจเพื่อสาลัธรรมคำสอนทระเปนเจ้าแล้วคนนั้นจะอดชมในโดนภาวนาะอย่างอืน่นมิจะตั้งสติยึดมันม่นยึดครองทันองทำจนพวกวายรุษอยู่เสมอ กันรู้ดูกระทำทั้งหลายให้แนบรันุสนิิในรู้ใจตลอดไาจนตายแต่สังหรืกับความสุขหรือกับความเจริญเึื่วงเรื่องรัฒนาสถาพรแม่นอในวันธรร ม, มสวนะุวรณะวันธรร ม, มสุวรณะนี้ก็เป็นการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนะไม่ใน่มาเที่ยวตามวัดเงียบสงกไม่มีใครฟังธรรม ไม่มีใครเข้าไปปฏิบัติกรรม า, านแนมะ้แต่วัดเดียวเลยเสียดายมากเสีอดายเวลาที่มันมีประโยชน์ประจําชีวิตของเราทุกเวลาเลยทนะําไมใช้เวลาเอามัมีประโยชน์กับชีวิตจิตปรจําวันแล้วกรจะได้อะไรที่เป็นชิ้นเรนเมล์เป็ น, น้ํนาในจิตใจจะสับบารทุ้ง์ทุกข์อยนะต่องไน่าด้เลยเป็นที่มาเสียใจอะ เดยวนี้งินสาวรุ่นใหม่ไม่เคยสนใจกับวัดจะปฏิบัติไปสนใจบวชซีพราบตามวัดเงหาเสือสวนกันไปตามวัดต่างๆไปเชื่ยเท่านั้นทางการจะให้เงาะเคราะส์งการจะไปแก้ตามไปทํากรรมฐานตามวัดวาลามต่างๆเสียใจเรืยอก่ถูกตดกินน้ำนิถูกนิด ทำงานมีแต่อุปสรรคขัดข้องหงองใจเสมอเมืなな่อตาได้แล้วถึงจะมีแจงใจในจิตใจเพิ่ทำทของห้ายได้จระกานได้พอหมดโอกาสข้อนี้ไปหน้าสุดาเวลาเลเกนเวลาหมดไปยังกวดเร็วยอะแยะาปดเถอเกลออยู่เดีวงานยังไม่เสร็จนจะช่งหนึ่งวันพะผ่านไปซะแล้ว เยหยุหไดไม่สู่าละเรถึงว่าพระนาแลนต่ด่ําเดวจแลมทุตสู่เราตามมาเบียดแรงคือฆาธรรไปตามหตุการูวกำลังไปถึงเวลาแล้วก็หมดไปสภาพแล้วหมดสภาพไปตามันดับแล้วูดจากข้าศั ล, ลย์ศัลยาพึงจากไหนเราจะมีความสุขมีความสนุก ส, สบายชูวตา ออก็หมดจนแค่นั้นหมโตัตายแน่นอนที่น้น อ, องสี่ักทั้งหลายวันนี้วันธรรมโสควรจะฟังธรรมคนชาวพวกเลวมังคละเลวที่จะปฏิบัติธรรมะเลวบงโกนเปลียงตาที่จะใส่บังคละบังโกนนักชีวิตวันเดียวหรือวันโจรผมพระหรือโจนผมพระเท่ า, ทานั้น ตัวแปลว่าให้มันเรียบหล้อให้มันสะอาดเวลาเราจะเข้าเป็เข้าสังะต้องทำมาครัวให้สะอาดจะมาปฏิบัติกรรมฐานตรวจมวลไหว้าระสอาบน้ำชำระรางการตักวาดบ้านให้สะอาดตัให้มันเรียกไปวาให้มันเรียบตัวนี้แปลกกวาตัดตัวแปลว่าตัด โอนแปลว่าถาโอนแปลว่ากัรชูวการขางให้หยุดเลยมัน น, บบน้ำยอยบอกการทาให้มันสะอาดทาให้มันสะอาดเหมือนเราทู้จะขัดข้งางฝาจะขัดเรื่องโซมิดเจอร์จะทาะจะทาน้ามันช้องขัดแม้ขัดเกชอาแล้วมันเชื่อกันหนึ่งแล้ว ฉันเดก็ชันั้นถึงองโลเราก็ต้องเวรียมโกลทําใจให้สาบายตัดใจปฏิทโตกังวลกลวมาวันพระวันพระเปลียนใสแยงหาพระให้จน้งี้ปฏิบัติธรรมะจึงจะพบพระถ้าไม่ปฏิบัติธรรมคันสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัวแทนของพระองค์มมคือธรรมะผู้แทนของพระองค์นัมม่น ค, คือพรมมะธรรมวิญญาณ แต่เราเปนางนพรสงฆ์ขาพ ร, ร, ระธรรมวินัยขาจิจวัตรไม่ลงโบสไม่ลงวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่สด็จหลักไม่สด็จหลักแนเป็นพระปลอมเป็นพระยอมใจไม่เป็นพรที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามั้อมมสอนขงพระพุทธเจ้าแน่แนอนอุมาศรรมอุมาธิการปลอมเาไม่เคยปฏิบัติธรรม ไม่เคยปฏิบัติในถานะเป็นีบาศกสมาทานชีนสมาทานประกรรมฐานสมาทานเมตธรรมออกาอยู่ชื่อสงบปลารถทำเจาบาฮิกาจะเป็นูบาหิกาแทนไมถ้าจิตเจนันเลิกไม่โกลไม่ให้มันเริกให้นักเนบุกเบิกขึ้นมาแลจะม่ปลามจะมยอมใจกลแปลว่าบุกเบ ล้าก็ปลูกบ้านหลังหนึ่งต้องบุกเบิดให้ตามันเตี้ยแล้วก็ดูที่ดูทางให้สะอาดดูที่มันจะลุ่มมันจะเดานมันจะเป็นหลุมตรงนบาจะหลุมหล่วเป็ไหนก็จะเด็ดแตหาจะเด็ดปลูกบ้านต้องบุกเบิดสารจะยากลำบากลำเทินใจที่สุดในแบบกระมือบ้านสักเรือนสักหลังหนึ่งก็แสนจะยากลบาก จะมีอเย้ามีเลียงมือเครือจะมีอเสมือเมก็สจะลาบากยากเป็นคนใถ้ามือชงเบกะเทชามันก็ไม่สนาเจอกันก็ได้ตามการงานกันไปก็ไปอยู่การตามเดินตามตามตามอภตสิลการของทำชั่งไ่แหะการบุบเบิรจิตใจก็ต้องบุบเบิร์หังโต้องเลียรตาม วันพอะปฏิบัติการให้หยุดล่ออย่างนี้ตลอดต้อนมีการบึกเบิกวังเพงก็ไม่รู้วังพะก็ไม่เข้าใจยังสร้างบาปในวันพะสร้างบาปในวังโพงเพราะรอการเวลาวันไหนและวันดูของเราวันดูนั่นคือวันอะไรท่านสาวุทโธมผู้กระบริษัททั้งหลายโปรดตอบในใจวันดูของท่านคือวันอะไร จวันยงเลือกอว่างดียังไหดของท่านคือวันไหเลือกนานยามดีของท่านคือวัไหนแตจามีแต่หนุ่มสาวท่านบมีาวท่านเลือกเป็ไหนก็เลือกดียามไหนเป็นยามดียังไหนเป็นวัืดของท่านพราะพระเจ้าสอนชัดเจนท่านจะตอบว่าวันนัานแต่จะไปหาดูที่ไหนไปหาผีเข้าเจ้าชอง ตหอูาะแงานลูกสาวให้อยู่เย็นให้รลรยในสังคมดายสียใจแต่คว่าวันดูมีปัญญานสร้างสรรฐานะการใช้วิธีจุดให้เขาไปสู่ภาวะของคุศลผลงานของชีวิตเดินทางหายทก บันดุจ่างสารเพื่อเลื่างหนึ่งานทันที่านอรอดีจัดการใดนั่นแย่างดีท่านกุชลาธรรมะปุลาธรรมะทำดีท่านจางดดีทาเชื่อทาจะกาใดเชื่อยังดีก็สร้างสาดีตลอวันเวลาสร้างในสื้อมันก็ดีในช่วงกลางการเสนอมันก็ดูกลางเสนอความวัดสะอาดมันก็ดีในลาวัด วันดูมันก็อยู่ที่วิธีการที่สร้างคาดีให้แก่ตัวเองยามดูก็เวลาว่างจะให้ใช้เวลาว่างนั้นไปสร้างความเชื่อเลยทําใจดูสร้างดูให้ดังานท่านดูงานท่านจะเดินเงินก็จะตามมาหาท่านจะได้มีอซับมือชื่อเสียงมือความรักดูในจิตใจของท่านกตลอการต่อประสาน วันไหนแล้ววันไม่ดีวันนี้นะวันดีถ้าสร้างความดีใจในต่อสร้างความดีก็ต้องวันดีที่ในต่อผ่านางขอสร้างความเทื่อมันนี่ยเป็นความเชื่อนนนางขอสร้างเรืสร้างร้ายหาอย่าหายยนะให้ตัวนั่นหะความเรื่อ้ายบ้านไหนมือเผื่อมีเมีอยงสร้างความดีไม่พูดทะเลาะกัน ลูกพระพุธอ่อตามหวานลูอยาสิจากเรมปากหวานหูไม่รู้หายหัวก็เป็นบางนมือัวเป็นคนมเมื่อเป็นบางคนเดี๋ยวีัวก็เป็นอาบประมาคนมือก็เป็นอาบประมาคทะเลาะกันดีว่ากันึ่งกานกันได้อย่างน่าสุดเลยที่สุดมือลกก็อาบปราคนเสียงแฝาเสียงแม่คำไมตกฟ้าไม่อยากอยากจะเรียนมังสวิรัติประการใดบ้านอาบประมางคน ในบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นบ้านวแบบักวันไหนแล้วผมนบบั้นดีวันไหนแล้วคูณดีเช่นวันนี้ต้นต้นวันนี้เป็นวันบบชักถ้าใครมาสร้างพระวันนี้ใจคนนั้นใจก็สดคนไหนมาทํำเลวให้จิตใจวนนั้นเลวเขาสลัดไม่ได้เป็นอาความ่นคนปุรยามารายาก็เลวไปด้วยหนจิตใจก็อเลวไปปุรยาก็เสียหาย จะพูดจาก็เป็นพุทธวาจาพูดจาไม่เพลาะพูดจาไม่มีเหตุผลจะจังเวลายามตาวาจาวาจาสัตว์นะั่นเปวาจาที่ไม่ตายนั่นเปนวาจาที่สัตว์สึกพูดได้ต้องทำไม่มีตะเดียวประทินไะด้การเจริญสักวรร ม, มาฐานนะั่นแหะเป็การเอาขามาเข้าตัวเอง เอาพระเข้ามาจิตใจจิตใจท่านจะดูสจิตายท่านจะประเสริฐ น, นันและล้ำเลิศเป็นวันพระในวันดีของท่านจะทำดูเวลาใดาเวลานั้นเป็นคามดูที่สุดจะทํา ท, ทั่วเวลาใดาเวลานั้นทั่วที่สุดเอายไม่ได้คนที่เป็นคนดูจะขยันหมั่นเพียรทุกระดับคนเครื่อจะชื่อเกี จะไม่อยากทํางานเอาการจากประทานได้จะเห็นแก่ตัวจะต้องตัวลำบากความยากมันจะเกิดขึ้นได้คนอับปี่จังไรเช่นด่าน่าวมาจะไม่มีประโยชน์สุริยพลแต่ประทานได้เป็นพระกพระเจอเป็นชี ก, ช ก, ช ก, ก, ก็ชีเจอในบาสุริสาแก้หมดถ้าจิตใจมีเจ้าความดีไม่ใดญ่เลยเราจะดูแต่เพีงกันนึ่งหลือนบนเหือนว่าเป็นข้าพิสุขเท่านั้นหรือ ต้องดูในภาพปฏิบัติของพระคุณเจ้าตัวปฏิบัติกระตันได้โยนนุ่งขาวห่มขาวก็ต้องดูแต่เพราะปฏิบัติอะไรแม่ขายนุ่งขาวห่มขา ว, ขาวเดินส ว, วนพระจะชนพระไม่เคยว่าสะก็ไม่รพแผลนี้ก็มีมากนี่แหละอัปมงคลอะอะมมงคลและอัปมงคลคนที่มีมงคลนั้นจะมีแต่สร้างแต่กุศลผลงานก็หลอดไปยะ การเจริญวิปั ส, สนากรร ม, มาฐานเป็นการสร้างสรรให้เกิดปัญญาต้องค์การจะปลอกปลุกจุดให้เกิดผลด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาให้แก่ตัวครอบครัวของตนสมธาธแปลว่าสร้างสมาธิ ท, ทําให้เกิดการศึกษาเกี่ยวหาวิชาการให้แก่ตน ตาลุปปัจฉานี้ตองการจะปลูกให้เตือ น, นใจคห้เป็นงาน <c oughs> ตองกลางจะปกคล้องเต็ม <c oughs> ปกครองตัวและพรอบตัว ต, วตวลอดเายาเมอขันตรเป็นมหาหยมมชีิตกุ้งผู้ปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็จะเลีส้ตตสติปัฏฐานด้วยกายานุปัชนาติปัฏฐานเวทนานุปัชนาติปัฏฐาน จิตนาทุ ป, ทาทาาปัสนาทิปฐานธรรมานุปัสนาทิปฐานงั้นกายจะยืนเบินนะั่งนอนเหลียลลวยข้าแยวาจะผูเหยียดเหยียดขาตั้งสถิไวทุกอริบท์นี่คือตัวธรรมะสวยน่ารักจะเบินไปงนนาางสงายก็มีแต่มารยาทอาจองทรงฉัมอาฐานบุตรราชรถทรงบุตรราชสุรสิส่งองคุชร องอาจกลาหาญทำสัมมาปฏิบัติในหน้าที่นี่โรยกากายานุปัสนาติปทานยืนหน่อหา้าครั้งท่านมีสตุกําหนด่อยต้องชี้หักชี้สะลงไปเท้าได้กันไิ่ยาตั้งแา่เบื้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึมายืนหน่อหา้าครั้งก็คือกรรมฐ า, านเบื้องต้นนั่นเองโดยศาสตร์พระธรรมจะกรรมฐ า, าน มือมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจะทช่องคุ้มมารดาแล้วมือช็อตมาแล้วแต่ทำไมเอาไปชิ้นตัองแต่ปลายเท้าคุมมาพุษะพิษะลงปายเท้ามือตะกุยดึงมั่นในจิตจะรู้ว่าละจิตคุ้มเป็นได้จะรู้ว่าละจิตคุ้มคนอื่นได้สัมผัสแล้วก็คนเดินมาจะเห็นที่สายใจขอกันว่าคนนี้ทีสายไม่ดีคนนี้ตป็ญ่เตเไม่ได้คนนี้หัวไม่มีต้องปา ออกมาในจะแพทย์นี่ชัดเจนมากอันนี้เป็นหลักปฏิบัชตชัดเจนเนะแม้พระพุทธเจ้าทั้งเรามียอดศาสนายอพัฒนาขครองโลกต้องการพัฒนาคนต้องการให้คนเรามนุษยาา์เราดูเรื่องมนุษย์กยายชาจากกยภาพของมนุษย์กยชนอยู่ด้วยความสุขคามเจริญในชีวิตกุต้งฐานทั้งหลายออกมาจะเห็นชัดเมตนานุปัฏฐานนั้น ท่านจะต้องกำหนดอดทนในด้านเวทนาให้มากที่สุดเป็นความอดทนขันติธรรมอยู่ในเรื่องนี้ขันติหิจตะสุขาวะหาติแปลว่าอย่างนั้นแปลว่าขัานติความอดทกนกาหนดเวทนาที่บัตภับบัณชามันไม่ได้คือ ว, ว่าขาเสียใจโกรธเป็นเวทนาทั้ง ไม่สบายใจก็อ er, ย er ่าเลยนาบังคับไม่ได้มันจะเกิดขึ้นในส่วนตัวของท่านทุกคนเป็นหมดล้วไม่สบายตายไม่สบายใจก็เป็นเกิดขึ้นกําหนดเดยนาปวกหนอให้มันหายไปแตภาวะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เกินยาเดี๋ยวโยกเดี๋ยวก็ดับไปมันก็จะหายภายอดทนได้ไหมทําได้รึไม่ในอย่างนี้ติแต่ก่อนมีเหตุผล เนเวทนาเสียใจกําหนดที่ลิ้นตีฮะตาไม่ร้ว่ลิ้นตีอยูที่ไหนเชื่อกว่าตะมือท่าดับไปถึงตะมือท่าพัดขึ้นมันจะอยู่ตรงไหนกําหนดให้ด้ส่วนใหญ่มาปฏิบัติกันขึ้นกิมมารจามสองวางกลับอยากจะให้อยู่ให้มันได้คงจะให้กลับทาได้สักอย่างหนึ่งก็กลับบ้านกลับไปโดยรดยนต์กลมๆก็ไม่เป็นกลับไปแล้วไม่รู้เหนือลิ้นทรยแล้วมาทําไมมาหาอะไรการ มาเดี๋ยวปรยชน์ผลินกับประการไดไปเรหนังสือสอบตกเลยก็กลับบ้านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยประสบประการก็ไม่เคยประสบมาทดสอบแ้าแล้วก็ไม่ผ่านสอบตกตลอดเลยต่างนู่แหละไม่เดเคยประสบประการก็ชีวิตความอดทนเลยเลยก็เบรยออกไปนี่แหละท่านทั้งหลายเ อ, อ้ยไม่เดยทดสอบชีวิตเลยทดสอบจีใจทุกท่านบ้างนี่คื อ, อรูปธร ยังไม่ทัดทดสอบจิตใจเลยเพราะกระทบกระเทือนานยโกรธนะกลับน่ประนแท่นี่มีมากและเกินคาธรรมะอย่างหน้าสุดาลเพราะว่ามาตรวทดสอบเราเรียนสอดแล้วก็ทดสอบไปอยู่ในสนามวิทนานโดนด่ามากโดนว่าบางดู้าดสอบนี้กลับไปโกรธคราเนื่องแสดงว่าการสอบตกลับไปโอกนี่จิตใจไม่ไม่มันคงใช่ไหม ปฏิบัติกรรมาฐานไม่ได้เลยโดนกดระทวกระเทโดนทดสอบเขาหน่เลิกเลยเลดขเฉียวกันแล้วเวลาดการแสดงว่าฉันสอบสอไม่ได้รรมไมก่กระพดความอดทนไม่มีเลยเอดข้าม ท, ทนลำบาก็ไม่ไดักทนการ ก, ก็ไม่ไดัไม่มีความอดทนต่อโดการใดจุดมุหมายองเบชนาอันนั้นทนะ่านปฏิบัตกรรมไม่ได้ ตามใจตัวอยู่ตลดเลยจัมตามใจตัวควรอยู่ในกิเลสจิตใจท่านจะเศร้าหมองตลอดตามจะแก้ไขปัญหาชีวิตท่านเราได้แน่นอนที่สุดจะไปแก้ปัญหาชีวิตตรงไหนนะแลมาจะแก้ตามโน้นจะแก้ตามนี้มาแลกเวงแล้วตามท่านจะจะผิดหวังจหน้าสุยดายตมาไม่บอกใครละบอกให้สวดมนต์วังไม่อยากจะสวดกั ท่านจังมืกับความทั่วอยู่ในจเนื่อยหน้าอู่ใและก็มาอยากจะสร้างความดีเวลาเศร้าหมองก็มาอยากปฏิบัติธรรมฏิบัติธรรมต้องการจะแก้จุดไม่เศร้าหมองให้มันผ่องายให้ใจสะอาดหมดจดอย่างนี้เปนต้นถึงจะถูกต้องการคลอท้นชีุิอย่างนี้เปนต้นจะเป็นประโยชนแก่ท่านทั้งหลายบางทีราสงฆองค์เจ้าวันกาควรจะสั่งสอนกระชาชง ผลผลงานที่ก่อโยต่อพระพุทธเาบะเป็นปรโยนอย่างนี้ต่างๆคนที่มีธรรมะับขยันสอนคนที่ไรธรรมะไม่มีแล้วมันชี้เกียจสอนก็ไม่มีอะไรจะไปสอนไม่มีสายบทกลางที่จไปสอนเขาเลยก็เลิกสอนสามารถถึงไม่มีการสอนธรรมะปฏิบัติธรรมกับประการใดเพราะข้างไม่มีธรรมะไม่มีคุรภาพไม่มีตาตาสิทธิ์นเลยจะไปสอนเขาได้ แล้วมันไม่มีไม่มีอะไรจะไปให้ใครรับก็เลยก็เห็นใจพระทำวัดต่างๆไม่มีอะไรจะให้รือตระบาลูมหาปริยนจะให้โยมเอาไหมเยนบาลูเรียนแปลนงสก็ไม่เอาไม่สามารถจะเรียนได้ก็แต่หิ้มาอก่าดนดัยบาลได้ไหมเรียนนอภาษาก็ไม่สามารถเรียนหรือก็ไม่ชาเราก็ตายจากไปแล้วเรียนมทัไปเลียนเก้าเลยไทยก็ต้องตาย เราอกเอาอะไระเลย์กันล่ะเธอปฏิบัติก็ยังปฏิบัติกันไม่ได้ต้องทะเลย์ชลุ่ยปลืกกันได้ก็หมดโอกาสความดีอันงามทงกข์นี่การเบเชนาปฏิบัติได้ไหมัันปวดทัวสัตว์ปะกายเยอะเกินกั้นเข้าเดี๋ยวก็ปวดหนักปวดหนักเกิขึ้นตรุปบาปายเด๋วก็หาย้กติก็ดีขันตุพอหมดสนก็เปลีเป็นมหันยนประจัตัว คนไหนมีมหายมคือฮิลิโอตปัตและขันติธรรมนั่นคือเป็นหุ่เใจความความดูของคนถ้าคนไหนไม่มีความอดทงไม่มีหุ่นใจความดีข่านจะไม่มีความดูในใจแน่นอนก็ทำไม่ได้กระทบไปเหมือนอนกับสายหน้าตามืนยากนั่นแหละท่านจะเสียสับสูดถ้าไม่มีความอดิน เพราะการเจริญกรรมฐา น, นาาต้องตายมาฝึกให้อดทนลำบากทนกัาความทนจากความแต่เจ็บไข้ไม่ป่วงทนกับความส จ, จบ็บ จ, บจในญั้งคนได้โดยการชดชอบชีวิตการมานั่งปฏิบาาัติกรรมฐานระโดนเพลิดเพลินกับโกรธเปรียบถูกพยาบาทฆ่าพัานธุยนแต่ประการใดเล่า เราจะได้อะไรเป็นหลักกฎเกณฑ์วิธีการอันนญาตจิตาจนุปัชฌนาสิปทานข้อทีส่สามถือเป็นธรรมชาติจิตอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์้บตาเป็นเวลานานมิเทพ่ฏิจจสิไรนั่นคือไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนที่อยาามือไปทำได้ข้าวนา ต้องกำหนดเพาจุดนี้มันเกิดจิตตตนตาวิจมุกจินต์ใจตาเห็นลูกประจิตเห็นหนอำหน ก, หนกำหนดหูได้ยินเสียงเกิดจิตกําหนดเสียงหนอหน้ปฏิมาธรรมให้เคยกำหนดต่มันเลื่องเลยแต่กล่าวท่านจึงไม่มีทดสอบจิตใจของท่านจริงได้ไม่อดคนไม่มีความบดทนในจิตไม่เข้มแข็งจิตใจไม่เข้มแข็งแน่นอนที่สุด เสียงหนอเขาด่าเขาว่าก nee, ับโกรนะนี่แหละกำหนดพุดมันทั้งหูคู่กันมานานแล้วพุทธลัชจะไม่มีใครปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามสวยน่ารักเนี่ยสวยน่ารักมีอดนสวยยันหน้าซูนชมยินดีปรีดาออมาอย่งชัดเจนมากนีหละเสียงหนอสินหนอลักหนอที่วหวานมาเคมอาหารการบริโภคนี่กวันเวลา ชีวิตให้อยู่ไปในวันหนึ่งเยอาหารอันนี้โทชนูมัตตางุตารู้จักระมานในการบริโภคอาหารเท่านั้นเองไม่อยอมบริโภคเพื่อนกามะขันธะหรือกามเกียรติหรือกามคุณห้าจะเป็นตันใดแต่การยังชีวิตอยู่เพื่อทําประโยชน์ให้กับ ต, ตนและหมู่เรื่องในครอบเครัอทั้ง ต, ตนให้มีความสุขความสุขเรื้องอาหารเท่านั้นการสัมผัสเกิดจ็บที่หลานตาทั้งฐาน โวยมั่นโอคำในจิตใจเกิดนี้อย่างนี้เรื่องแต่จิตใจนีปัจฉนากรรมฐานคิดออกก็กาหนดคิดหน่อที่บุ้นตื่นคิดหน่อเดี๋ยวมาคิดออกก็เขียนโนลงกาคิดบอกเล่าเาได้อย่างไรแล้วก็ตามอย่างนั้นนี่เราจิ้นกคิดถิกต้องนี่ว่าทำหน้าเนี่ยทําให้กลองลงโยนโฉมานาจะกลองแล้วกลองเป็นทานองถามเพื่อทอนทำมานี่ปัจฉนากประฐานยอดโดยความแล้วก็ผิด ก็คือทำปุสงก์หรืออาบุสงศ์ทำดีหรือทำชั่วจตการใดมันจะออกมาเป็นปุศลกรรมอาบุศงกรรมบอกให้เราทราบว่าเราทไปแล้วงานเป็นปุสงศ์นี่อาบุศ์คุณต้องกำหนับที่ลิ้นตัวรู้หนอรู้หนอรู้หนออย่างนี้กันไปแล้วทำมาลูหนอรู้แล้วอ๋อที่เราทาไปมันพื้นหัวจป่วนภาละสุดชห่วม่ เรือตัวตานใหม่เรเวอนโยบายใหม่มันเปลี่ยนได้ทันั้นไม่ด <c oughs> ูก็ทําใหม่ได้เรือให้ดูก็ปรับได้กิจการมันมันมันขาดทุนก็ทําให้ได้กําไรได้มันได้ทุกเรื่องทั้งบุกทั้งเบิกเราจะมีเรือนก็อย่างที่พูดเราจะที่เนี่ยจะบุกเบิกก่อนเนี่ ย, ยาากิยจการให้บุกเบิกเอามาปฏิบัติชงเดือกระแทกขาท่านจะอะไรในบุกเบิก นี่การจเจริญกรรมฐ า, านมาบุกเบิกชีวิตมาบุกเบิกจิตให้แจ่มใสให้กว้างขวางทำอะไรให้มูอแม่ตาเปียโนยาลเรื่อเพื่อขาเหลือใครดูกันบุเบิล <c oughs> <c oughs> คนที่ในบุเบิลคือแม่ปฏิบัติคนง้นใสแคบเงจนกับตัวตลาดลยตามคนง้นจะไม่มีใจกล้าง ใ, ใจใใจกวา้ า, างกวงางืยอะสียใสจะกระกายได <c oughs> สนมีจุดธนาคูโทนตลาดโดยการอดทนนี่แหลต้องกำหนดให้ได้บางคนไร้อาจายาใัยไม่เคยทักทายปลาใสแต่มนุษย์เจ้าชาด้วยชาเกลือเกือหน้าแต่ประการใดมีแต่ใจแค่มีละนะกรรมฐานนีแต่ให้กระเพื่อนเป็นเป็นเดิมเป็นคุณเดิมของเขาโดยการอดทนทุกชนิดในคดีโลกและขดีธรร มือพร้อมการทุกประการขอฝากต้นท้งหลายไว้ในวันนี้การเจริญกรรมาฐานทําให้เราละลึกชาติชีวิตดับละลึกเหตุการณ์ชุดใดแน่นอนแต่ท่านทาได้หรือไม่ท่านทำไม่ได้จะโวยวายคนที่ก็ทําได้มันมีเยอะเห็นหนอยเห็นด้วยจิตใจเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาจะรู้ขยใจ คิดหนอคิดด้วยปัญญามีสติปัญญาคนที่มีกรรมฐานจะขยันเมยทักคนที่เกียรให้เอา ง, งานอารอกานให้เอา ง, งานอารอกานคนไ้องมีกรรมฐานไม่มีธรรมะประ จ, จําใจแะเป็นท่น้นสูงใดจะเป็นปรงค์องค์เจ้าเป็นพุทธบริษทัทพุกไก็ตามเหมือนกันหมดคนที่มีธรรมะปไม่มีขั้นสี่ความอดทนใจประจําได้แค่ท่านจะเอาอะไรยา นีแหละธรรมะนุปัชนาปฏิปทานกุศลหรืออกุศลถ้าจะได้จงไหนและเป็นธรรมะในส่วนตอนก็จะหาหมิ่นยากมากมันโอกาสที่จะดีได้แล้วไม่อุดทนพูดมาปฏิบัตินี่เท่าที่กันแต่มาไม่เคยมีใครอุดทนเดินโจมๆแล้วก็เลิกนั่งหน่อยก็เลิกปวดเมื่อยก็เลิกนต่คนต า, าแพทย์รีไม่สําเร็จงานการทั้งหมดทั้งคดีโลกคดีธรรมถ้ามันมีความอดทนมาแค่มาแก้กรรม ให้กรรมหายไปทรรไม่ดีก็เลยหายไปไม่เป็นความจริงอย่างนั้นการควรควรจะสร้างความดีแต่ตัวเองความดีนั่นจะถึงจะผิดอยู่ในจิตใจของท่านตลอดกาลนี่มันมีความหมายอย่างนั้นหนึ่งรู้กฎแห่งกรรมไหมท่าน ไ, าได้สร้างเวรกรรมอะไรบ้างท่านก็ไม่รู้เลือกแล้วจะแค่กรได้หรื อ, อแต่การได้แต่แก้ปัญหาก็ไม่ได้แต่ฟังเทศก็อดทนไม่ได้อดทนไม่ได้ทั้ง เราไม่สนใจในการฟังไม่สนใจในการทบทวนไม่สนใจในการคิดอ่านเขียนเรียนวิชาไม่สนใจด้วยสร้างฐานฐานะของตนแต่ประการใดจึงไม่มีธรรมะอดทนในข้อนี้มีมากเัืไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะแสดงความอดทนเรื่องคันติร์ธรรมเล็กน้อยเพื่อกรรารแช่กรรมกรรมฐานที่เราจเจริญกรรมาฐานมาเนี่ยต้องมีความอดทนมาก อดทนต่อสู้บางคนก็ทํำคืนยังรุ่งไม่พับเดินรงกรมปฏิบัติติดต่อไปทิ่งสว่างเลยก็มีมากบางคนกลางวันต้องไปทํางานากลางคืนมานั่งกรรมฐ า, า, านที่บ้านเขาตลอดแกะแล้วก็ไม่ก่อนเพียจัดราการใดเพราะนั่งสมาธิเดินรงกรมมานั่งสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานกลางวันต้องไปทํางานต้องทํางานตลอดรายการไม่เคยมีว่างจัดรายการใด ร่างกายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อ่อนเพลียสามารถทํางานได้ทุกประการด้วยความอดทนอย่างนี้ตอนนี้ไปก็เพื่อจะช่แกนเรื่องอดทนสักเล็กน้อยเพื่อเป็นทัศนะศึกษาต่อจากกรรมฐานขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเรี่ยงทัศนะศึกษาเกี่ยกวกับกรรมฐานด้วยความอดทนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบกับทางโลกและทางธรรม ขอท่านตั้งใจฟังสถิดไปณโอกาสบัตนี้ขอเตืนอนพรเจริญสุขโดยทั่วทันณบัตนี้ท <c oughs> ำว่าขันติธรรมที่เราได้จากกรรมฐานนั้นเป็นยอดแห่งความสุขคือขันตินั้นเป็นยอดแห่งความสุขขันติทีตะทิขาวหาติวันนี้จะบรรยายแสดงถึงขันติ คถาภาวนาถึงขั้นเความหมดคนให้ท่านฟังวันนี้อันเป็นธรรมที่สาคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาเรื่องการจากปฏิบัติธรรมะจากปฏิบัติกรรมฐานที่เราจะได้การเพื่อไปใช้ทางโลกทางธรรมให้สมดุลกันด้วยว่ากิจกรรมทุกอย่างการปฏิบัติทุกชนิดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุด ล้วนต้องอาศัยขันติจังทินกนารเจริญกรรมฐานถ้าไม่มีขันติท่านก็ไม่สามารถจะปฏิบัติกรรมฐ า, านได้ทั้งนั้นต้องมีขันติความอดทนท่านจึงจะสร้างกุศลได้เพราะฉะนั้นหากขาดขันติเ ส, สาาียแล้วกิจกรรมสัมๆังเรานั้าจะชั่งเร็จไม่ได้เลยทั้งทางโลกทางธรรมจะนั่งกรรมฐ า, านก็ไม่่านทดสอบก็้มแต่ไปอสอบตกตลอด หรือจะสำเร็จบ้างก็ไม่สมบูรณ์เปรียบจะเหมือนการสร้างตึกบนรากฐานที่ไม่มั่นคงก็มีหวังสุขหรือพังในที่สุดชันใดอย่างที่บุกเบิกการจะสร้างบ้านแม้ในเรื่องความสุขก็เหมือนกันต้องอาศัยพันตรีเขาช่วยมาร่วมเป็นร่วมเป็นทุกข์อยู่ด้วยมันมีทุกข์อยู่ด้วย ความสุขจึงจะเกิดตลอดจนการที่จะบรรลุมาผลทานอันเป็นยอดของความสุขก็ล้วนอาศัยทั้งสี่ทั้งสิ่งสมกับกระทู้ธรรมพาสิตในสวดมนต์ฉับหลวงังจะยกเพิ่มตังไว้ขั้นตอนว่าสุขขันติหิตะอุทาวหาสิกแปลว่าขันตินำประโยชน์สุขมาให้เราขันติมี้นำประโยชน์สุขมาให้ดังนี้นายมงคลสูตร พระพุทธเจ้าจาับยกขันติว่าเป็นมงคลสีวิตด้วยคอหนึ่งคือขันติธรรมเป็นมงคลชุวิตด้วยคอหนึ่งในบรรดามงคลชีวิตทั้งสามที่แปดประการนั้นประการนั้นโดยประการชนีขันติธทําจึงเข้ากับเพชรเม็ดล้ำค่าเพชรเม็ดล้าค่าชื่อทุกคนควรหาไว้เป็นชมบัติของตนฉะนั้น เป็นช่สมัติ่องตอนด้วยคำตีความอดทนคำตีความอดทนมีเพศจำจากกับัจจะในตัวเองคำตีท่านแปลกันมาว่าความอดทนนับว่าเป็นคำแปลที่เหมาะเจาะมีความหมายซึ่งมีทั้งดมีทั้งทนอดเรียทนด้วยเรียกว่าเป็นคำแปลที่เหมาะสมกับอารมณ์ของ คนเราอดแล้วก็ทนทนแล้วก็อดในเรื่องกรรมฐ า, านแต่อย่างนี้เหมาะสมคืออารมณ์อันได้แก่ความรู้สึกจากกรรมฐ า, านมีความรู้สึกอย่างไรอดทนกําหนดจิตตังสติไว้รู้สึกนึกคิดของคนเหานั้นแม้จะมีมากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สองอย่างนี้ เมื่ออย่างใดยังหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรควรอดหรือไม่ทนในเวลาที่ควรทนก็เสียเช่นบางคนอยากจะกินกินอยากจะซื้อซื้อเรื่องที่อยากนะั้นเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตราย ก็พายเกิดทุกภัยเหมือนกับคนไข้จึงของสแสลงเชนนั้นอันนึ่งเมื่อถึงพลาวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศเคียดคลาดการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาข้าพันกันเรื่องเลยลุกลามไปกันใหญ่ คนที่เสียทนก็เพราะขาดน้ำทนนี้และเป็นส่วนมากความอดทนธรรมะของผู้หวังความเอา้านาคือกรรมฐานด้วยการกำหนดอดทนกำหนดอดคลัน่นอดอ้อมอดทนปนิปนอมยอมความอยู่ที่กรรมฐานที่ได้จากการกระทบกระเทียงหรืออดทนต่อการงานหน้าที่ เหเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าธรรมะพวกนี้มีความสำคัญจริงๆซึ่งผู้หวังความเจริญก้าวหน้าจึง <c oughs> ไม่ควรมองข้ามไปจริงควรเพิ่มพูนทั้งความอดและความทนเริ่มต้นด้วยอดใจโดยไม่ปล่อยให้เป็นท่าของความอยากครอเครื่องวัว ย, ยวนใจนั้นมีมากทางหูสมูกทางตา หูจมูกกลิ่งกายใจทั้งปากพร้อมทีเราก้อกำหนดจุดตลอดเลยการนั่นแหละซึ่งอาศัยลูกบา้าทิ้งบ้าลดบ้ายิ่งในทิ้งที่เจริญแล้วมากสิ่งวุ่นใจก็มีมากเป็นเงาตามตัวมันมีเงาตามตัวตลอดเลยการทนต่อความอยากได้ไหมบางคนก็ทนไม่ได้หากไม่คอยยับย่างช่างใจเอาไว้แล้ว ยอมพาให้เสียหายด่าเช่นนักเรียนบางคนหลงละเิงรักในวัยเรียนยังเห็นชื่อมาอบรมชือวันนี้อบรมในวัดนี้หนีมากรักในวัยเรียนต้องไปทาแทงบ้างเลือดทำมาปฏิบัติธรรมในวันนี้เองนี่ะเราเห็นนี่แหละบางคนหลงละเิงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่สาเร็จ สองแลกเปลียนเรียกลางคันหน้าที่ได้บางคนใจใหญ่ให้ใจ่ายชุรูสุร่าชั้งชั่งชื่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังได้อ่านเที่ยวเปเยินสุลาไม่ลัไรล้วนหาอาหารกินก็ได้ขึ้นเสียขึ้นเรื่องอาหารการกินก็ได้ขึ้นเสียขึ้น กินทิ้งกินคว้ากินแล้วไปทิ้งทิ้งของคว่างกันใจเติบกิงของดูดีราคาแพงๆบางทีข้าวของทิ้งกวางการกิ้นแล้วกปทิ้งทิ้งของคว่างกันเยีะหนาเยอะเกินอย่างนี้กันตอนเสื้อผ้าก็หลายหลากมากชิ้เรื่องจะอยากไม่มีนี่จะความอยากเป็นเจ้าหวจัยคนอะไรไม่ไม่ ไม่คิดถึงตัวแล้วพอมานงโอโคลนจนอย่างนั้นลําบากอย่างคนจนลําบากอย่างนี้คือผลของการตามใจความอยากจึงกบยากไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วไม่เน้นภาวนาสงสารคนประเภทนี้แต่เนือ้ออุเทนก็สงสารไม่ลง ทำไมช่างไม่คิดถึงตัวง่าสากน้ำใส่กระโหลกงโมกดูเงาบ้าเงาบ้าบานมวงทีง่กระญลนชาอัุยะดำที่เกิาาขึ้นก็เพราะคนลืมตัวประเพนีและมีส่วนช่วย่วงช่วยกอกขึ้นไม่เท่น้อยพระพุทธเจาาแม่จะทรงบรรลุโลกโลกุตตละ ดูเหนือโลกแต่ก็ทรงหว่วงใยคนในโลกนี้กองการให้ชาวโลกทั้งมวลครองเรือนชองโลกอย่างปลาสุกดังนั้นพระองค์จึงได้จาดสอนเกี่ยวกับเรื่องมือไม่มากเช่นว่าทาลิศที่ย่างทุกขังโลเอความจนเป็นทุกข์ในโลกยีนานทานานางทุกขังโลกเอกทารเป็นนิ้เขาเป็นทุกข์ในโลกเป็นนิ้เขาก็เป็นทุกข์ในโลก ปะตูลูปตาลีธิร า, าอาถาตาวินชาเตชะนั้นคนขยันทำงานเหมาะกับตารเวลายอมหาทรัพยาฉะนั้นคนที่ยาจนแล้วขยันจับใจใช้ส้อยรึ่งเรควรจะเตื่นขึ้นแล้วก็ลืนกมตาดูตัวอย่างที่เขาล่ำรวยบ้างว่าเขาทำกันอย่างไรมัวแต่จะทำตัวเป็นใช่เดือน ไล่หูไลตาพอยจ้องแต่จะใช่อย่างเดียวชนิดไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่าใช้เดือนใครเดือนมันไม่มีหูมีตาข้าที่ เ, เก่าเป็นโอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุกหรือว่าตอนต้นสู่ทนทุกข์จะได้สุกเมื่อตอนปลายแต่ตอนต้นชอบระบายจะได้ไายเมื่อปลายมือ คัดที่ทำนองนี้จำไว้สอนใจบ้างคนจะได้ลดความสุรสุราชลงไปได้บักท้งต่อสิ่งที่ไม่ชอบท้องต่อสิ่งที่เราไม่ชอบต้องอดทนอีกอย่างหนึ่งกานสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะของทุกสิ่งในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มามีทั้งที่ชอบและไม่ชอบเป็นล่อคือเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เขาลาดพื่เราพุทธองค์จรัสว่าเป็นอนิจังหากใครจะยืนจับฝืนหากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นมิจังก็เท่ากับพยายามหาหนหวดเต่าเขาก็ตายต้องตายเปล่าไม่เขา้าทีเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพดทุกอย่างทั้งที่ชอบและไม่ชอบหีไม่พ้นแน่นอน ก็แหละเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นท่านสอนให้ใช่ความทนเข้าไปเชิญด้วยคันติกำหนดกรรมาฐานที่ทงนั้นเราจะกลายเป็นคนเจ้าทุกมือบางคนน้ำอดน้ำคนไม่ใช่มีเพราะไม่มีหลักกรรมาฐานนั่นเดียวกำหนดจุดมีคนมีแ้งคนเจาะอยากจะล่ำรวยแต่ทัวลำบากตัวหนาวตัวร้อนถืออ่อนสมองบาง ชอบปลืนมคลายทาตัวเป็นพ่อพวงมาลายัยทําอะไรไม่จิงจังทําตัวเป็นทวงมาลัยพวงเหนือทวงมาลัยลอยไปลอยมาไม่ใช่เกาะแต่มนุษย์บรรุพคมลอยลอยไปลอยมาหรือก็ทวงมาลายไม่เยอะลอยไปลอยมาสําูรณ์สวยดีไม่เอางานโอาการแต่ประการใดนี่แหละไร้กรรมฐานไร้ธรรมะก็เป็นอย่างนั้นท่านว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้ง คิดดูก็จริงอย่างที่ท่านว่าฟังเสียงก็ลุหนาวออกจะตายไปร้อนออกจะตายไปหิวออกจะตายไปนี่แหละเสียงของคนเกยดคานซึ่งชอบเอาความตายขึ้นมาอ้างเพื่อหาทางเลี่ยงงานคนประเภทนี้ท่านว่าอาพโทนชะตาตกอับตลอดชีวิต ถึงก็อยู่ทนโลกกับเท่าตั้งแต่นมคุ้มแต่ขาะเอาหลังอวดลา้าเอาหน้าอุดมก็ยังต้องคลองความจนอยู่นั่นเองเรื่องความเป็นเศรษฐีไม่มีหวังท่านว่าคนเกลียดค้างนานไปจะไรทับจะอาภาัพยากไล่หลายสถานมี่และเท่าของความเกียกดค้างในอดทนไม่มีธรรมะ ธรรมนาคนเราชอบของคนทไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้ามือผ้าเครื่อนยนต์เพะของคนใช้ได้นานซึ่งเสี่ยงน้อยไม่ต้องคืบใบบ่าใช้ไดาประโยกนมากส่วนของที่ไม่ทนมีกปกติเสียง่ายแตกง่ายหลอกง่ายหักง่ายว่าไม่มีใครชอบคนที่ไม่ทนแดบดบไม่ทนฝน กระเพศโดนแดดนิดก็ บ, บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าก็ไม่มือใครชอบอยู่ที่ไหนเขาก็รังเกส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่ตัวแดบดบไม่ตัวฝนทนองเหมือนหญ้าแพรเป็นคนขยันมีนิสัยรักางานขณะทำก็สนุกสนานเพื่อแทนถึงงานนั้นจะหนักหรือจะลำบากเพียงไรคนสุดทายก็แพ้คนขยันปเปรียบจะเหมือนชุนาดดุ ถ้าเราทำท่า ห, หนีอุนทรก็ยื่งระโจนเข้าใส่ถ้าเราใจกล้าตั้งท่าสู้อย่างเอาจริงเอาจังมันก็จะวิ่งหนีาปอย่างซึ่งท่าไม่ว่างานอะไรข้อสาคัญอยู่ที่ทำจริงเป็นสเมเด็จแม่การเจริญกรรมฐานาก็ต้องทำจริงมันจะสาเด็จทนต่ออารมณ์ร้ายได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นการทนต่ออารมณ์ร้ายจงเจริญอย่างข <rec uk in> bon ันติความอดทนอารมณ์ร้ายมันมาเพื่อพ่านก็ต้องกําหนดจุดให้มันได้อีกอย่างนึ่งทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเสียดสยความผิดหวังการการเงินหรือการงานที่ท่านมีอยู่อยู่ในตัวเองมีมัไหนประดานใดการผิดหวัง หรือการทาทายการท่าวาฬดีซึ่งไปเครื่องดิกองทนทั้งขึ้นมิฉะนั้นทุกจะเพิ่มมากขึ้นการวนก็ดีมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันซึ่งไปเลื่องดิกองทนทั้งขึ้นมิฉะนั้นทุกจะเพิ่มมากขึ้นอย่างบางคนเกียไข้ไม่สบายใจคลองมึนหดดูคนนั่งบ่าคนนี้ตูดตูดตุกตูกบุว่นวายไปหมด เห็นแล้วแทนที่จะสงสารคนฆ่ากลับหน้าสงสารคนพยาบาลมากกว่าถ้าต้องคนพลำมารักษาโลกจริงก็แย่อยู่แล้วยังจะต้องมานั่งรักษาโลกแคบหยุดหน้าลำคาญใจมากแต่ทิดไปอยู่ทีก็น่าหึงใจทั้งสองฝ่ายคือทั้งคนเจ็บที่ผ่าต้องทุจรับทุกขเวชนาและทั้งคนพยาบาลที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อเมื่อเมื่อละ อารมณ์ก็เคียบบ้านเป็นธรรมดาอารมณ์ก็ต้องเคลียบเป็นธรรมดาแต่ถ้าจะนําเอาขันติม า, ชาใช้บ้างอดทนดกรรมาทา น, านก็จะเป็นทางคลี่คลายความเป็นเครียดลดลงไปบ้างอันนึงเมื่อพราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรไปบน่นสาทยายให้ใครเขาฟังฉันเจอย่างนั้นฉันปวดอย่างนี้เพราะเขาลําพานไม่อยากฟัง เรื่องเจ็บดคััของลาวดอกนอกจากนี้ความผิดหวังก็มีพิษร้ายเช่นเดียวกันคือทำให้หลับชุ่มจิงไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองก็มีตรงกับพระพุทธเจ้าจะว่าย้ำติดทั้งนลปะติดสมติดคูขั้งลาถนาถึงได้ไม่ได้สมราถนาก็เป็นทุกข์ อย่างคนที่ลูไม่ดูมีใจเกเลเกเรเกรเกะไม่เอาท่านเกิดมาล้างฐานพ่อแม่พูดดีก็ไม่สนใจพูดลายก็ไม่ฟังเสียงควมจะฆ้าเสียก็ไม่ได้จะขายหรือก็ไม่ดีต้องหวานอมขมเพินทุกทนทลมานเลี้ยงดูตลอดไปอย่างมีการต้อนก็จะเกิดเครืการบุคคลเหล่านั้น แม้คนที่มีคู่ครองที่ไม่ดีก็ทำนองเดียวกันจะได้รับทุกข์เขือนสาหัสเพียงไรท่านที่ผ่านมาแล้วคงรู้ลดชาได้ดีเรื่อเขือเรื่องเมียเมื่อปัญหาเชนี้เกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเรื่องนี้ท่านผู้รู้ท่านสอนให้ให้หลบคือหลบใจตามหลักที่ว่ารู้หลบเป็นติรู้หลีกเปนหา โดยมื่อธิบายว่าธรรมดานมกที่ฉลาดย่อมไว้เข้าใจหลบหลีกย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเราก็เหมือนกันทรลุจากหลบหลีกหรือรหลักจากหลบหลีกปลิดตนย่อมจกพ้นอันตรายเสมอในบางกรณีต้องใช้ใจหลบตั้งสติให้กำหนดสมาฐานกำหนับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ ต้องหลบใจเพราะกายหลบยากกายของเราเนี่ยหลบยากไม่รู้จะหลบไปทางไหนได้อยู่บ้านเดียวกันเพวงเมงินมันอยู่บ้านเดียวกันจะหลบไปทางไหนอยู่บ้านเดียวกันถึงจระลีก็ต้องคดจะหลบก็ต้องปะเพาะนั่นคุณต้องหลบใจอย่ารับที่มีเลืองเกิดขึ้นเสมอนั้นถ้าหลบไม่เป็นได้ต้องรับ เพียงแต่เขาว่าคุณนักว่าแมวก็รออับจึงเกิดเรื่องยุงยากอย่างนี้เป็นต้นมีแต่เราอยู่บ้านเดียวกันเอาจิตจะลองกรรมฐ า, านเพราะกายเนีมันหลบกันใช่ไม่ได้ามันอยู่บ้านเดียวกันมันนอนอยู่เดียวกันถือหลบใจนั่นคือเอาปัญญามารับแผนจะลองกรรมฐ า, านใช้ปัญญาหมายความว่าให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่นากระทบ บาฮูจะหมดขึ้นใจแต่ ก, ก, กัมโนดกัมโนดกัมนดไม่รู้ทันอารมณ์ปัจจุบันอดุไม่รู้เื่อหลวงอื่นที่ยที่ชอบทำอำนาจโคตไม่แน่ น, นอนปัจจุบนันทำเพี้ยปัจจุบันนี่นคืออารมณ์ที่มากระทบทั้งที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายด้วยวิธีนี้จะทําให้ใจสงบเรื่องร้ายต่างๆจะไม่สตกขึ้นแล้วอาจจะกลายเป็นของดีขึ้นมาแทนที่ ตรงกับที่ท่านสอนไม่ว่ารู้เท่าเอาไว้จำรู้เท่าไว้ัำรู้รู้ทันเอาไว้แก่คือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองคือกรรมฐานรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันกำลังบอกเร้่นานแล้วรู้ไหมว่ารู้ไว้ว่ารู้ทันเอาไว้จำรู้ทันเนี่ยเอาไว้แก่บอกไว้ชัดเจน คือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ที่นั้นที่เกิดขึ้นท่านรถตัวอย่างเช่นให้คิดว่าพระพุทธเจ้าผู้บร ม, มครูก็ยังทรมานชาเทวทัดไม่สาเร็จก็เราเป็นคนธรรมดาจะสอนคนเช่นนี้ได้อย่างไรแล้วทรมานเถรทัดยังไม่สาเร็จขอเราอย่าเป็นคนธรรมดาจะสอนคนเช่นนี้ได้อย่างไรแล้ว มีเรื่องลำแข้งที่เรากันมาเป็นคติอยู่เรื่องหนึ่งว่าถึงเปลยยัดเจรเบียบมีหน้าที่รักษาเจลาพักลอนคืนหนึ่งเห็นคนนอนเรียงแถวบนกรลาศิษฐา์ต่ำบ้างสูงบ้างมาเจรเบียบลำแข้งใ จ, จึงดึงให้เสมอกานแล้วก็กลับมาดูทางเทาง้าข้อลากลาันไม่เสม อ, อกันอีจงดึงลงมาให้เท่าเ่ากัน เศษยากตนนี้เว้าเพียงบดิขึ้นลงอยู่อย่างนี้จนอ่อนอกอ่อนใจตลอดคืนไม่เขมรจนเขมรได้อย่างไรจะเขมรได้อย่างไรเพราะตัวคนสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยท่านต่างหลายคนไม่เหมือนกันจะสอนได้อย่างไรคนลรสูงต่ำก็ไม่เท่ากันอีกจิตใจก็ไม่เหมือนกันอีกเรืยังนีสอนให้รู้ว่าการที่จัะไปกระเจนให้คนอื่น สมนุนเพื่อให้ได้ยามใจของตอนผลทสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละต้องร้อนจากคือความต้องการของเราเองเขาใจของเราเองถ้าเรานําเรื่องนี้มาเทียบกับมือไส้คนแล้วจะทําให้เราสบายใจได้มากทีเดียวดูวิธีหนึ่งถ้าให้ลดใจไปอยู่กับอุเบกขาคือทำอุเบกขา คือนึกเืีอว่าเป็นเป็นกรรมที่เขาช่างมาอย่างนั้นเองซึ่งหนูกรรมในคนดุริถึงนี้ความรุ่มจะลดลงความสนุกสนานจะเกิดขึ้นคล้ายดูละครซึ่งมีทั้งพ ร, ระทั้งนาง ม, ะะมีพระเอกนังเลมีทั้งชายทั้งนางมีตลกมีผู้ร้ายมากมายหลา ย, าาลายประเภทหากเรามองดู สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เหมือนกับดูลักอนเลยเราก็สามารถจะหาความสุขในโลกนั้นอันเลือนอนลวนยุ่หวายได้นอกจากนี้อารมณร้อนก็นับว่าเป็นอันตรายสิ่งํำคัญซึ่งจะต้องอาศัยความทนเข้ามาเป็นเครื่องป้องกันไว้คำด่าว่าเสียดสือหมุ่งทานแลบะบ เพื่อทำใจให้ร้อนเมื่อใจร้อนแล้วเรื่องร้อนต่างๆก็ตามมาอย่างที่เห็นกันอยู่เสมอทุกวันนี้วิธีหมอกวิธีหมุนก็คือการวางตัวโดยมากเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการถือตัวคือสําคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างซึ่งเราคงจะเคยได้ยินบางคนพูดทานออกมาว่านะหน่อย จากเจ้าหนี้เด็กเมื่อวันคืนมาดูถูกหรือบางทีก็ว่าโตเท่ากันแล้วไม่น่ารังเกียดกันเลยนี่เขาว่ากันในสั้นคลองบางข่าวก็ได้ยินว่าถือว่าใหญ่กว่ามาผอมเพน้มน้ำใจได้ซึ่งล้วนแต่น้ำตัวออกไปรับทั้งนั้นทัานแล้วมาณนะทิศก็เกิดขึ้นถึงกับทดลองมีว่าถ้าฟันกันเพื่อรักษาเรียมเชิงคาย เลื่อนปูไปกันใหญ่ทำนองเสียตำชับซํำให้ไม่เข้าเขียเลื่อนตำซ้ำให้ได้กระเสียหารเมื่อสถานกะารณ์เกิดขึ้นเช่นนี้การสอนให้ใช้ขันติเพราะขันติสาหสวาณากขันติความอดทนห้าความฝืนฝันไม่ได้ดยับยัาา้งเดยการมีสติ บางาเวดาชดอนตอนทุชกก็นังตูทะลุรักต่อประพักอย่างพาลุ่นอันเป็นภาพที่สะเทือนระทยสุกทุกขะประมาณถึงกับล่ำกับจะฆ่าทุชกถือแล้วอากจะได้อาศัยขันติบารมีมาป้องกันเอาไว้ด้วยฉนั้นชุชกก็จะต้องตายกล่าวถ้าสมมุติว่าชุชกตาย สมแข็งแล้วพระองค์ก็จะได้อะไรขึ้นมาเล่าเล่าเลยมีแต่ทางเสียพระเกียริคุณก็จะเสียพระบารมีก็เสียแลพระพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติพุทธบริษัทก็ไม่มีอันเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่ล้วงอันหนึ่งสมัยที่พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขติพยยาได้สวเสวยทุกขเวท น, นาแสนสาหัส หาไม่ได้ทรงอาศัยขันติบัล ม, มีเข้าสนับกำเนิดเล่เาองจะตัดสู่เป็นตระสัมมาทิฏฐิเจ้าได้อย่างไรนี่แหละคืออานุภาพของขันติซึ่งมีความลึกแศกที่จะพานาในเรื่องกรรมฐานอนิสงของขันติที่เราได้จากกรรมฐานที่แน่นอนถลกใจความว่าขันติเป็นธรรมที่สําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาก้อนึงเป็นมหาบยมชีวิต ทรงมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศดังกล่าวมาแต่เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ของขันติโดยย่อก็มีดังนี้คือขันติทําให้สวยงามมีเสน่ห์ขันติเราว่าเราด่าเขาไม่ตอบไม่โกรธมีเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องต้องกันการแตกความสามีกขันติทำให้ลำเรี้มีหลักฐาน ขันตูทําให้การ ง, งานทุกชนิดสําเร็จลงด้วยดีขันตูทําให้การครองเรียนคองรักเป็นไปด้วยความสงบสุขขันตูลดจานวนภัยบนท้องถนนลงได้ขันตูเป็นพาหันะนำไปสู่สวรรค์นิพพานได้ขันตูเป็นเครืค่องส่งเสริมให้พระมหาบุรุษแด่ศัตรูหลักสรูร้เป็นพสัมมาทัมมิเตชะ ากล่าวมาเพียงย่ อ, ยอ น, นี้ย่อนพิสูจให้เห็นแน้ว่าทั้นติธรรมมีความวิเศษสุดจริงๆไม่ว่าจะใลาที่ไหนเรื่องอะไรถ้าลงได้นำทั้นติเข้ามาประกอกด้วยแล้วดีทั้งนั้นอย่างดีควรอย่างเดียวกับเครื่องผิใชัยไม่สอยหากมีท่าคนผสมอยู่ด้วยแล้ว คุณภาพก็สูงขึ้นถ้าเป็นสินค้าก็ซื้อง่ายขายช่องต้องใจคนเลือกจะตารฉันฉันจป็นยกยองขันติทมว่านำประโยชน์สุกมาให้ดังนี้ทันนั่นท่านสาธุชนทั้งหลายก็เพือเพียงพิจารณาความหมายในขันติธรรมที่ได้มาจากการกระทาและทุกจงนาเล่ ในขันติธรรมดังเปล่าวแล้วทุทธตารก็จะได้ผลอย่างสมค่าตราชนาทุกธตารเข้าสู่นภาวะดับเปล่าแล้วนือก็จะเป็นประโยชน์ตัวที่ผลแก่ท่านตัา ง, งหลายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านต่้งหลายโดการขันติธรรมมีประเทศ ต่างๆนานาทุกประการก็จะเกิดขึ้นถึงผูง้ควรรลึกสยูเสมอในการปฏิบัตินี้เราได้และเราเลยถึงควร ก, กระพุธกรเจ้าเสมอมีพระปัญญาพระอุุถัมภอพระมหากรณาปิคุณระลึกถึงถึประธรขอให้การจงละที่ ว, รวประพฤติเด่น